ขอนอบน้อมพระรัตนาไตยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอากาศพระจา์ทรงศีลพระจาณวัรรชัยแล้วก็เพื่อนจะทำให้ทุกท่านน ะ, จะเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนก็นั่งกันตามสบายเนาะฟังก็ตามสบายคันมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกัน ไม่ได้พูดที่นี่มาหลายเดือนละไม่ค่อยได้อยู่นะเดินทางนะทุดงนะที่แม่ห้องสอนที่ตากนะร่วมเดือนโยมก็นิมนต์ไปต่อที่อินเดียเนปาลสีรังกานะก็ไปตามพุทธสถ า, านต่างๆ ก็ได้เห็นนะได้เห็นสถานที่ต่างๆนะได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนหลายคนนะมันก็ดีนะนะเราได้เห็นนะสถานที่ข้างนอกโนะบราณสถานต่างๆหรือว่าสถานที่ปัจจุบันนะวัดวาอารามต่างๆนะนะเห็น คนไทยบ้างเห็นคนชาติอื่นบ้างนะเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างบ้างมันก็ดีนะแต่ก็ถ้าดูดีๆแล้วก็ดูไปมากๆ ม, มันเกิดประโยชน์อะไรกับเราก็ไม่รู้ <c oughs> นะบางทีก็บางที่ก็ไปมาหลายที่ละนะบางที่ก็สวยดีแปลกดีอดีแต่พอนอนหลับ ตื่นขึ้นมาก็เห็นอีกสิ่งใหม่เนาะเราก็ลืมสิ่งเก่าไปเรื่อยนะมาว่าชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้นะบางทีแต่ละวันเราก็ผ่านเรื่องราวพบเจอได้อ่านได้คุยอะไรหลายหอย่างแต่สุดท้ายมันก็เป็นอดีตของเราไปเรื่อยๆเนะไปเรื่อยๆชีวิตเราก็อยู่กับอยู่กับอดีตหรือเปล่าก็ไม่ได้อยู่นะ ชีวิตเราก็อยู่กับตอนนี้นะไม่ดูเราจะต้องไปดูไปเห็นให้มากมายไปทําไมนะแต่ไปก็ได้เห็นนะแต่มาว่าถ้ามันจะดีก็คือเราก็ต้องเก็บเกี่ยวหรือว่าได้อะไรจากสิ่งที่เราได้เห็นหรือว่าได้ฟังนะมันก็จะได้เกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์ในด้านไหนนะ ก็คงไม่ใช่ว่าเอาเกิดประโยชน์ในการที่เรามาพูดคุยหรือเอามาโชว์คนอื่นเนาะแต่มาว่าชีวิตเรามันมันเป็นเรื่องของการเกิดประโยชน์ในเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องการเดินทางนะภายในของเราเดินทางเพื่ออะไรนะอย่างเราเดินทางทางโลกเดินทางภายนอกในแต่ละวันเราก็มีเป้าหมายในการเดินนะ เราท่วงใหญ่เราก็เดินไปข้างหน้าหรือบางทีเราก็นั่งรถบางทีเราก็นั่งเครื่องบินเพื่อไปในที่ต่างๆมันก็ถึงจุดหมายปลายทางในแต่ละวันแต่ละที่ได้แล้วใจของเราจะเดินทางไปไหนอะเราเคยถามตัวเองไหมมาว่าบางทีใจของเราเองสัวใหญ่มันเดินวนมันไม่ค่อยได้เดินไปข้างหน้านะมันเดินวน เมื่อวานก็โกรธวันนี้ก็โกรธอีกละเมื่อวานก็ทุกวันนี้ก็ทุกอีกละเมื่อวานก็อยากได้อันนี้นะวันนี้ก็เปลี่ยนใหม่อีกละอยากได้อันอื่นใช่ไหมอืมโอ้ปีที่แล้วดูเออเสื้อผ้าแบบนี้สวยปีนี้เห็นแฟชั่นใหม่อันนี้ก็สวยมาว่าปีหน้าก็เดี๋ยวก็เห็นอันสวยๆอีกละใช่ไหมอืมมันก็ มันเหมือนวนไปเรื่อยเนาะความทุกข์ของเราก็วนเรื่องคล้ายๆเดิมนะนความหลงของเราก็วนไปเรื่อยเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยนะความอยากมันก็เหมือนกันนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเราเดินทางไปที่ไหนจิตใจของเรามาก็ถามตัวเองนะโ <c oughs> ยมก็ลองถามตัวเองดูเหมือนกันนะหรือว่าก็ลองดูตัวเองว่า เวลาเราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนาะเราได้มีการพัฒนาจิตใจนะเดินทางออกจากสิ่งที่เราว น, นเวียนตรงนี้หรือเปล่านะหรือเรามาปฏิบัติธรรมนะเนี่ยรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรนะหรือการปฏิบัติธรรมเองก็ดูไปก็มีหลายวิธีเหลือเกิน อะไรคือการปฏิบัติธรรมละ่นะอย่างมากก็ไปเห็นหลายที่บางทีก็สวดมนตนะนะนะนะ์ทั้งวันนะสวดปากเปล่าก็ดีนะอ่านหนังสือสวดก็ดีนะบางทีก็กราบนะทั้งวันนะบางทีก็เห็นนั่งสมาธินะเดี๋ยวก็นั่งหลังตรงเดี๋ยวก็นั่งคอตกเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ตื่นนะ หรอเราเคยไหมบางทีเราก็เดี๋ยวก็จิตก็สงบบางทีจิตก็ฟุ้งซ่านนะอืม <c> ค <oughs> ือเราเดินจงกรมก็เหมือนกันนะบางทีก็เดินไปก็คิดไปนะบางทีก็ไม่คิดนะมันก็อะไรคือการปฏิบททัติธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเนะมาว่ารูปแบบ มันก็บอกไม่ได้ว่าอะไรคือการปฏิบัติธรรมบางทีเราก็อาจจะอิจฉาพระเนาะมีเวลาไปทุ ด, ดงมีเวลาอยู่ในวัด น, น, นานๆนะญาติโยมนานๆทีได้เข้าวัดหรือมีเวลาว่างนะหรือบางคนก็นะคิดว่าคนอื่นนะเขาภาวนาดีกว่าเรานะเขาดีกว่าเรานะแต่จริงว่าบางทีมองเรื่องข้างนอกบางที มันบอกไม่ได้นะมันบอกไม่ได้ว่าเราเห็นคนอื่นภาวนาเขาเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติในรูปแบบบาทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาปฏิบัติจริงหรือว่าแค่ปฏิบัติภายนอกนะแต่อะไรคือการปฏิบัติธรรมละ่ะจุดดักจริงๆนะจุดดักจริงๆคือทำลายความเห็นผิดในความ เห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็คือทำไรความเห็นความคิดความรู้สึกที่มันเป็นตัวตนนี่แหล ะ, ะถ้าภาษาหลวงพ่อพุทธทาสานบอกไอ้ปัญหาจริงๆคือความเป็นตัวกูของกูมีไหมเวลาเราโกรธคนอื่นเนี่ยเพราะอะไรมันขัดใจกูนะใช่ไหมมันมันยามกู มันไม่เขารบกูนะนะหรือว่าเราอยากได้ก็อยากได้เพื่อถนองให้กูมีความสุขให้เรามีความสุขใช่ไหมเราอยากจะกินก็อยากให้ร่างกายนี้ได้กินอยากให้ดินมันได้ทดอร่อยหรือว่าอยากให้ตัวกูมันอร่อยดินดินมันเป็นตัวกูหรือว่าตัวกูมันไปครอบงําดินยังไงรสมันอร่อยผ่านดินแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็ไปแล้วนะอืม แต่จริงเพราะอะไรปัญหาคือเราสแสวงหาความสุขผ่านตัวตนนะเรามีตัวตนนะมีตัวตนที่สแสวงหาความสุขมีตัวตนที่ไม่อยากทุกข์ใช่ไหมเราอยากจะมีความสุขเราก็ปรารถนาเราก็สแสวงหาแต่ความสุขที่เกิดจากวัตถุภายนอก เราก็รู้สึกว่ามันมันชั่วครั้งชั่วคราวนะมันประเดียวประดาวความสุขจากการกินความสุขจากการเห็นความสุขจากการได้ฟังความสุขจากการได้วัตถุไฟนอกเนี่ยมีอะไรที่มันคงที่บ้างมีไหมครับมีไห ม, มความสุขจากการได้ความรัก มันคงที่ไหมคนนี้เรารักมากเราปรารถนาเราได้มาเขาเป็นคู่มันก็สุขนะแต่สักพักมันก็เฉยหรือว่าบางวันก็สุขมากคนงวันก็ไม่ได้สุขบางวันก็มีปัญหาก็ทุกข์ด้วยหรือแม้แต่คนที่เรารักเราจริงๆนะเช่นพ่อเช่นแมน่ท่านก็รักเราจริงนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นความสุขที่จะทำให้เรา ไม่ทุกข์ใช่ไหมเวลาเราป่วยเรามีพ่อแม่ดูแลเรามีสามีภรรยาดูแลเรามีลูกดูแลเรามีหมอดูแลเรามียากินแต่ก็ไม่มีใครจะมาทำให้เราเรกว่าเราทุกข์ทางกายก็ทุกข์ของเราเอง <c oughs> ไม่มีใครมาทุกข์แทนเราได้ใช่ไหมเขาช่วยเราได้แค่ภายนอก แต่ภายในจริงๆของร่างกายก็ช่วยกันได้ยากมากยิ่งถ้าเป็นเรื่องจิตใจเลยนะก็ยากจะหาคนมาช่วยเราได้จริงๆนะเราเนะี่ยเพราะอะไรความทุกข์ความสุขเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบางทีเพราะว่าเรามีตัวตนของเราเนาะที่ไปแสแวงหานะหรือว่าครอบครองได้มาแต่ถ้ามองดูดีๆนะ พวกนี้มันเป็นเพียงแค่อารมณ์เกิดขึ้นชั่วคราวนะถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าตัวตนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวนะหรือที่จริงความไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะแต่พอเราหลงไปนะั่นแหละเราถึงเกิดเป็นมีตัวตนเมื่อเกิดตัวตนขึ้นมามันก็เลยเกิดสภาวะอารมณ์นะมีผู้โกรธ มีผู้อยากได้นะมีความมีผู้โลภนะมีผู้หลงนะหลงทางไหนก็หลงทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะมีหลายอย่างเราเคยทบทวนไหมบางทีอย่างหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านพูดถึงปฏิจจสมุปบาทนะพูดถึงวงจรของความทุกข์ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่อวิชาแต่จริงตัวที่เป็นปัญหาจริงๆนะคือตัวที่เราควรปฏิบัติจริงๆคือตัวการรู้ทันผัสสะผัสสะคือพอกระทบนะกระทบคืออะไรเช่นตาเรามองเห็นตาเรามองเห็นแล้วเกิดความพอใจนะเกิดความไม่พอใจ ถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็ดองนะดงไปพอใจทั้งภายนอกใจเราก็มีความดงภายในด้วยนะไปพอใจในรูปที่สวยนะใจเราก็มีความดงด้วยดงข้างนอกด้วยอยากจะได้ด้วยนะพอใจในเสียงที่ได้ยินนะก็อยากจะฟังเสียงที่เพราะนะอีกนะเขาชมนะ ชมอีกสี่นะชอบนะเขาดา่าไม่พอใจเนาะไม่พอใจเราก็เลยไม่อยากฟังนะก็หลงทั้งสองอย่างแหละไปหลงว่าเขามาว่าเราทําไมแล้วก็เราก็หลงโกรธเขาด้วยนะผัสสะที่กระทบเนี่ยแหละเราดูทันไหมนะในโลกของความไม่จริงเนี่ยไม่มีใครหนีผัสสะกระทบได้นะตาบอด แต่ก็ยังหูได้ยินก็ยังกระทบทางหนะูหูหนวกก็ยังเห็นก็ยังรู้สึกนะถ้าจะหนีภาระกระทบจริงๆก็คือตอนตายนี่นแหละแต่ถามว่าเราจะภาวนาตอนตายได้ไหม <c ười> คนตายนะคนตายทุกไหมเราก็ไม่ดูนะแต่ที่แน่ๆคนตายก็ไม่ผิดศีล น, นะ <c ười> ใช่ไหมบางทีเวลาพักไปงาน กินนิมนต์คนตายเนะโอ้พอพระจะให้ศีลเนี่นนะยยาพิ่น้องก็ไปเคาะโลมบอกมาดับศีลสินะที่จริงศีล น, นะพระพระให้คนเป็นนะคนตายเขาไม่ได้ผิดเนาะใช่ไห ม, มไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ทําร้ายใครไมไ่รักทรัพย์ไม่ได้กินเหล้าแต่คนเป็นนั่นแหละกินเหล้าอยู่คนเป็นนั่นแหละด่าคนอื่นกันอยู่นะคนเป็นนั่นแหละกาลังฆ่าสัตว์อยู่มาเลี้ยงกันนะไม่รู้อ่ะ เป็นงานบุญหรือเป็นงานบาปนะจริงคนเรานะทำไปแบบไม่ค่อยรู้ตัวงานบุญทำบุญแต่เป็นบุญจริงเลยเราฆ่าสัตว์มาเลี้ยงคนอื่นถือว่าเป็นบุญจริงหรือเปล่านะเราเอาเหล้ามาเลี้ยงเพื่อนเอาบรี่มาให้เพื่อนนะบอกว่าเราทำบุญกับเพื่อนจริงหรือเปล่านะเรารักครอบครัว เรารักลูกหลานเรารักเพื่อนแต่เราก็ถ้าเขาขัดใจเราเราก็ดา่าถ้าเขาทำไม่ถูกใจเราเราก็ว่ามไม่รู้เราทำบุญเราทำดีกับเขาจริงหรือเปล่าอันนี้ก็มรู้นะก็พูดถึงทั้งตัวเองพูดถึงทั้งคนอื่นไปนะก็แล้วก็ดูเนาะนะเพราะใดเราเราหลงนะเราหลงเวลาผัดสะมันกระทบ กระทบไปแล้วเราไม่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละนะคือเหตุทําใ ห, ห้เราดงทั้งภายนอกดองทั้งภายในน ะ, ะาภาษาพระเรียกว่า <c oughs> กามัตตัญหานะการัญหาที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑธรรมารมณ์นะมันเกิดขึ้นจากการกระทบภายนอก <c oughs> แต่จริงเป็นความรู้สึกภายในใจของเราด้วยนะถ้าเราไม่ทันนัเนีหยมันจะเกิดเกิดตัณหานะเกิดเวทนานะเกิดอุปทานเกิดการยึดเกิดสร้างพบสร้างชาติเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้ทุกขนะ์ขึ้นมาในใจของเราเลยมันทุกข์ที่ตรงนี้แหละมันทุกข์ที่ตรงนี้นะแต่ <c oughs> มีพระอาจารย์รูปหนึ่งนะได้สนทนาธรรมกับท่านนะท่านเล่าว่าเนะี่ยแต่ก่อนท่านก็ปฏิบัติในรูปแบบอื่นนะ่ะแต่ท่านก็สนใจอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทานสะท่านก็เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนก็เกิดความสนใจอยู่ว่าหลวงพ่อเทียนท่านก็กล้าหานดีกล้าประกาศกนละ้าท้าท้าท้าว่า ถ้ามาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อนะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนไม่รู้อะไรเลยหลวงพ่อจะให้เงินเดือนค่า <c oughs> อาหารน ะ, ะท่านก็สนใจเยอะแต่ก็ยังไม่เข้าใจวันะนึงท่านเจอลูกศิษย์ลงพ่อเทียนรูปหนึ่งนะเขอแนะนาวิธีพิกมือยกมือเหมือนที่พวกเราทำนั่นแหละท่านก็ลองทำดูพิกมือขึ้น ยกมือขึ้นสิบสี่จังหวะสิบห้าจังหวะเหมือนที่พวกเราทำนั่นแหละนะพระหลวงพ่อทุกนะก็ถามว่าขนาดที่ยกมือขึ้นมาเนะี่ยมันมีตัวกูของกูไหมมีไหมขนาดที่ยกมือรู้สึกตัวตัวกูของกูมีไหมท่านก็ตอบว่าไม่มีครับเอออันนี้แหละ ทำให้ท่านข้อใจ น, นะเออที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนก็เหมือนที่อาจารย์พุทธทาสท่านสอนมันทำลายความเป็นตัวกูของกูตัวนี้เองขณะที่เรารู้สึกตัวรู้สึกกับการเคลื่อนไหวหรือรู้สึกเท่าทันผัสสะที่กระทบในใจตัวกูมันไม่มีตัวกูมันหายไปอันนี้เด็ดคือการปฏิบัติธรรมนะ รูปแบบนะที่มาพูดตอนแรกอะอะไรคือรูปอะไรคือการปฏิบัติธรรมหมาว่าถ้าสวดมนต์แล้วไม่มีตัวกูนะรู้สึกในการสวดนะไม่ใช่สวดเป็นแค่พิธีกรรมอันนั้นก็ถูกนะแต่เราสวดมนต์เมื่อกเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไง <c oughs> ได้ดูตัวเองไหมสวดไปแต่ปากใจเราอยู่กับการสวดไหม ใช่ไหมสวดไปใจเราลอยไปหาลูกหาหลานหาบ้านหางานหรือเปล่าสวดไปแล้วเราดื่มตัวไหมนะหรือสวดแล้วเราก็รู้สึกในการสวดสวดแล้วก็รู้ทันใจที่เราเผลอไปนะสวดไปเห็นไหมนะตัวกูมันโผล่ขึ้นมานะเราละมันได้ไหมเรามีสติไหมเนะี่ยหลักสําคัญจริงๆถ้าเรามีสติถ้าเรารู้ตัว มันไม่มีตัวกูไม่มีของกูนะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมีตัณหาเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการมัดตัณหาตัณหาในการหลงในรูปเสียงกินรสพวตภาภะก็ดีหรือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเอาหรือวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเอา บางทีพระหรือนักภาวนานี่ก็ความอยากทางโลกก็น้อยแต่ก็อยากจะเป็นพระโสดาบันน่ะอยากจะเป็นพระอาราหารันต์เน่ะอยากจะอยากจะสงบอยากจะรู้อ่ะมันก็เป็นความอยากหรือก็ไม่อยากไม่อยากจะให้เกิดความคิดไม่อยากจะให้เกิดความโกรธไม่อยากจะให้เกิดความหลง ไม่อยากให้เกิดความโลภมีไหมมีนะมีเวลาเราปฏิบัติไม่อยากคิดนี่แหละวิภาวะตัญหาอยากจะสงบเนี่ยภาวะตันห า, อย า, ะะนหาอยากจะดีนะภาวะตัญหาอย า, อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะเร็วไม่อยากจะคิดไม่ดีก็วิภาวะตันหาพวกนี้เกิดขึ้นที่ไหน บางทีไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นกระทบเลยนะถ้่มันเกิดขึ้นในใจเวลาเราปฏิบัติแล้วเครียดปฏิบัติแล้วจริงจังเนี่ยมันอยากได้เนี่ยมันตัวอยากกันนะตัวทุกข์เราเห็นมันไหมนะี่ปฏิบัติแล้วมันไม่สงบแล้วอยากจะสงบเนี่ยมันก็คือตัญหาที่เราสร้างขึ้นมานะเราภาวนาไปเนี่ยให้เห็นให้รู้ทันแล้วก็ละตรงนั้นไป ที่พูดไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนะเกิดเกิดแต่ถ้าเรามีสติถ้า ร, ารู้ทันมันจะเหมือนตัวตนมันจะสลายไปนะมันจะสลายไปนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนะเกิดกันทุกคนนักปฏิบัติจริงๆเราจะเห็นความโกรธก็เกิดนะความทุกข์ก็เกิดความโลภความหลงก็เกิดนะแต่ถ้าเราเห็นเนะี่ยมันจะ ไม่มีที่ตั้งนะมันจะหลุดไปนะเหมือนคล้ายๆมือถ้าเรารู้ตัวนะก็อืมมันก็เราก็ปล่อยไปนะมีตอนนึงนะจะมาเมื่อไปปฏิบัติอยู่ใต้ต้นสีมหาโพเนาะที่พุทธคยานะก็เดินจงกรมตอนเช้าๆก็ไม่ค่อยมีคนใบโพร่วงหล่นลงมานะเออไม่มีใครเห็นนะ ลราหยิบขึ้นมาหน่อยน่ารักดีห <c oughs> ยิบขึ้นมาแล้วในมือนะเดินจงกรมไปด้วยอโอ้รู้สึกแค่ใบโพใบเดียวนี่ก็เป็นภาละ <c oughs> เดินจงกรมไปด้วยนะอ่าถือใบโพไปด้วยเป็นภาละอ่ะเอาไปวางไว้ที่ย่ามของเราดีวกว่าตอนนั้นยังเช้าๆเยอะยังไม่ยังไม่ถึงหกโมงยังสะดัวสะวเยอะนะพอเอาใบโพไปวางแล้วก็จิตมัน มันโดงไปนิดนะบอกในี่ใบโพของเราไปวางไว้ตรงนั้นแต่ถ้ามีคนอื่นมาเห็นเนี่ยเขาจะหยิบไปหรือเปล่านะมันเกิดความเป็นของของเราขึ้นมานะใบโพของเราเนะีพอมีสติดูทันเอา้าเราไปด่งคิดไปใบโพของเราที่จริงใบโพแต่ก่อนมันอยู่บนต้นนะมันเพิ่งตกลงมาแล้วเราก็เพิ่งหยิบขึ้นมาสักนาทีสองนาทีเนี่ยแหละนะนะนะนะนะแต่ความเป็นตัวของเราเนี่ยมันไป ไปไปยึดไว้นะพอมีสติรู้ทันอ่ะใครจะเอาก็เอานะตอนแรกๆพอไม่รู้ทันนะเดี๋ยวเดินจงกรมไปนะพอกลับหลังหั น, นะมองที่ย่ามก็ต้องมองไบโพว่ามันยังอยู่เปล่าออแต่ดกดีนะแต่พอรู้ทันก็ช่างหัวมันนะจะอยู่หรือไม่อยู่ที่จริงก็ไม่ใช่ของเราเนาะแต่จริงคือความโหลงมันเร็วมากนะแล้วก็ละเอียดมาก บางทีสิ่งที่ดีเราก็อยากจะเอก็อยากจะยึดนะเราก็อยากจะได้หรือบางทีสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะฟังหรอกไม่อยากเห็นนะอืมันก็แอ บ, บขึ้นในใจนะความรู้สึกพวกนี้ยมันเกิดขึ้นในใจมาว่าที่จริงการภาวนา จ, จริงๆคือการมีสติรู้ทันถึงต่างๆพวกนี้ยนะที่เกิดขึ้นในกายที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยแหละนะถ้าเรารู้ทันแล้ว ความหลงมันไม่มีตัวตนเป็นผู้รับมันก็เป็นเพียงแค่อาการหนึ่งพอเราเห็นแนละ้วมันก็ก็จะอยู่ไม่อยู่ก็ชากมันเราก็ไม่ได้ไปยึดว่ามันเป็นของของเราจริงๆมันก็เปรียบเทียบเออที่จริงก็เหมือนเราก็ดูตัวเองไม่ใช่แค่ใบโพที่มันเราไปยึดว่าเป็นของขอ ง, ของเราเนาะที่จริงแม้แต่อารมณ์ถ้าเราเห็นก็เหมือนมันก็เกิดขึ้นในใจของเราจริงนะ แต่ถ้าเราไม่ไปสําคัญมั่นหมายว่ามันจะต้องอยู่หรือต้องหายมันก็เป็นเรื่องของมันก็ช่างของมันสิเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปสุขกับมันนะแต่เราเคยดูแหมแต่ก่อนมาก็เคยนะบางทีก็เวลานั่งสมาธิถ้ามันสงบเราก็ว่ามันดีใช่ไหมหรือเราปฏิบัติมีสติบางทีเราก็ ว, าวันนี้ดีนะมีสติดีนะ หรือบางทีมันไม่สงบหรือมันไม่มีสติมันฟุ้งซ่านเราก็ว่ามันไม่ดีมันดีหรือไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบนะไม่มีตัวเราที่เปิดชอบนะมีตัวเราที่ไปตัดสินมีตัวเราที่ให้ค่าว่า อ, อันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่ดีนะที่จริงเขามีตัวเราจริงๆนะ ถ้ามันไม่มีตัวเรามันก็เป็นเพียงแค่อาการเฉยๆคนอื่นดีคนอื่นไม่ดีก็ดองดูดีๆเนาะดูดีๆแล้วก็เรื่องของเขาเถอะแต่บางทีมันก็เคยลงนะเคยลงสอนลูกศึกษนะบางทีเขาไม่ดีเราก็อยากจะสอนให้เขาดีนะบางทีเราก็ไม่พอใจที่เขาไม่ดีตอนหลังก็เรื่องของเขาเถอะมัน เราก็ทำได้แค่สอนทาได้แค่บอกแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของเขาไปเถอะมัก็คทวางใจแบบนี้ก็เออก็เรื่องของของใครของมันเนาะที่จริงเรื่องที่สาคัญจริงๆมันคือเรื่องตอนนี้ <c oughs> อดีตมันก็ผ่านไปแล้วนะอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาก็จะดีหรือไม่ดีจะถูกจะผิดมันก็ผ่านไปแล้วนะ แต่เราเคยรู้สึกไม่บางทีพอเราเห็นหน้าใครทุกคนเนะ่บางทีความรู้สึกที่เราเคยรู้สึกกับเขาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนะี่ยมันจะผุดขึ้นในใจของเราก่อนเนะีนะ่ยยิ่งโดยเฉพาะความรู้สึกไม่ดีนะคนนี้เคยว่าเราเคนนี้เคยโกงเราคนนี้เคยอะไรทำไม่ดีกับเราเนะี่ยเราจะรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจที่ได้เห็น ที่ได้ฟังเสียงขึ้นมาในใจเลยคือเราเอ า, เ อ, าอะไรเราเอาเอาดีตนะมาเป็นอารมณ์ในปัจจุบันบางทีก็เลยกลายเป็นอคาาติที่เราไปยึดเลยนะเขาพูดดังนิดนึ่งนี่ก็ไม่พอใจแล้วนะใช่ไห ม, มเพราะว่าอคาาติที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ดีนะแค่เสียงดังนิดหนึ่งนะแค่ทำอะไรรู้สึกว่า มันขัดใจนิดนึงเนี่ยก็มากอารมณ์มันก็มากกว่าทิ่งอื่นนะหรือบุธทีบางค น, นเราพอใจเนี่ยนเขาทำอะไรก็ดูน่ารักก็ดูดีไปหมดใช่ไหมเพราะอคติที่เรามีมาก่อนอยู่แล้วนะที่จริงก็เพราะอะไรเนเพราะเนี่ยเพราะเราหลงนะเราลงให้เราลองรู้ทั น, นมีสติตรงนี้แหละ มันจะถอนความพอใจความไม่พอใจนะโกรธก็ได้นะโอบก็ได้หลงก็ได้แต่ให้รู้ทันนะแล้วก็อย่าเอาตัวเราไปเป็นที่ตั้งอย่าไปยึดม่ามเป็นตัวเราจริงๆนะมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์เป็นเพียงแค่อาการของจิตใจนะนะลองดูดีๆมาว่าถ้าดูแบบนี้มันสนุกการภาวนามันจะสนุกเพราะว่าอะไร เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราเนี่ยแหละนะบางทีเราไปคิดว่าคนอื่นเขาจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเพราะเราหลงเนี่ยแหละหลงลว่าเขาต้องเป็นแบบนี้ตลอดที่จริง ด, ดูดูใจของเราเองจริงเรายังไม่เป็นแบบเดิมตลอดเลยใช่ไหมแต่เราทําไมต้องไปคาดหวังคาดคั้นให้เขาต้องเป็นแบบนี้ตลอดมันก็เป็นเขาก็เป็นเหมือนเรานะเขาก็ไม่เที่ยง เราก็ไม่เที่ยงเขาก็มีความทุกข์เราก็มีความทุกข์นะมีปัญหามีความทุกขนะนะ์เขาก็มีตัวตนนะเราเองก็ยังมีตัวตนนะแต่ตัวตนของเราเราก็คิดว่าถูกนะใช่ไหมแต่ถ้าเขามีตัวตนขึ้นมาเราก็คิดว่าเขาผิดที่จริงมันก็ดลงไปเนาะที่จริงถ้าเรามองดีดูดีดนะออมันก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นนะ เนี่ยเราจะเห็นเราภาวนาไปมันจะสนุกในการเห็นเห็นความไม่เที่ยงในใจของเราเห็นแม้แต่เห็นความไม่เที่ยงของคนอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาเออน้อมเข้ามาสอนตัวเองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกเพราะว่ายึดทุกเพราะว่าอยากไม่ว่าจะอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วก็ เป็นเหตุของความทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรที่จริงรากเหง้าของความโลภความโกรธความหลงรากเหง้าของกิเลส น, นะถ้าจะว่าไปจริงๆก็คือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ว่าคนเห็นแก่ตัวคือคนที่อยากจะเอาอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าคนแบบขี้เหนียวโลภมากคือคนเห็นแก่ตัว แต่จริงความเห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะเรามีตัวมีตัวตนนะก็อยากจะมีตัวตนที่สุขอืมปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติเพื่อจะให้ตัวตนมันสุขหรือเปล่าใช่ไหมปฏิบัติเพื่ออยากจะให้ตัวตนมันไม่ทุกข์หรือเปล่าหรือปฏิบัติเพื่อสุขก็เรื่องของสุขทุกข์ก็เรื่องของทุกข์ หรือเราจะเอาตัวตนของเราเป็นผู้สุขหรอเราอาตัวตนของเราเป็นผู้ไม่ทุกข์หรอือเราเอาตัวตนของเราเป็นพระอรหันต์หรอือเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าก็ไม่ดู <c oughs> แต่ถ้าปฏิบัติแบบก็ดูไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นอะไรก็ดูไปนะเกิดคมองโลงขึ้นมาในใจโกรธขึ้นมาในใจทุกข์ขึ้นมาในใจหรือเกิดขึ้นกับกายก็ ก็ดูมันไปดูไปจริงๆสิตอนที่รู้สึกตัวตอนนี้มีสติมันมีผู้ทุกข์จริงไหมมีผู้ทุกข์ตอนไหนนะก็ลองดูเนาะชีวิตนี้ก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะมันถึงเป็นชีวิตที่คุ้มค่าเนาะก็ให้พวกเราทุกคนก็ลองทบทวนแล้วก็ลองดูนะสิ่ที่เกิดขึ้น ในกายในใจของเราเนาะก็จะได้ประโยชน์ในการภาวนาแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตให้มันไดนะ้ตอนไหนเกิดความหลงเกิดตัวกูของกูนะตอนไหนไม่เกิดนะก็ดูก็จำก็เรียนรู้ปฏิบัติให้มากนะก็คงสมควรเกเวราดานะขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมนะครับนะ